ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่22หลวงปู่มั่นรู้ล่วงหน้าว่าพระจะตายอีกเป็นไข้ามาลาเรียและลุบ ด, ดังยาเทวดา หลวงตามมหาบูญญาสัมปันโนได้ให้โอวาดเอาไว้ว่าโลกเขานั้นมีความสง่างามผู้มีสมบัติเงินทองแต่เฉพาะพระเรานี่มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการเสื่อมการทําลายตนเองทําลายจิตใจของตนลงไปโดยลําดับลําดับจนหาความหมายไม่ได้ในตัวเองทงั้งทั้งที่ตัวเองนั้นหยิงว่ามีสมบัติมากเพราะจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็หยิ่งไปตามโลก แต่เรื่องทำไม่มีอะไรจะเหลือติดเลยมีหลักที่ว่ากิเลสมันแฝงธรรมเป็นกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมมันเกาะได้แล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้นั้นกินดูดซึมเข้าไปในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นก็ค่อยเหี่ยวยุบยออแล้วตายไปมันก็กอดรัดเอาเป็นอาหารเสียเรียบ มันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็เป็นอาหารของมันไปสิ้นนี่กิเลสที่แฝงมากับธรรมทีแรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากเมื่อเวลามันมีมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกต ด, ดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่เหลือเลยแหละจริงนั้นจริงนี้ตายเข้ามาเข้ามาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้น เพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของต้นไม้นั้นๆไปกินเสียหมดตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาศัยเนื้อหนังของต้นไม้อื่นไปเป็นอาหารหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่าน ในขณะอยู่จำพรรษากับท่านพระจารย์มั่นภูริศตเทถรว่าในขณะที่เราจำพรรษาอยู่กับท่านพระจารย์มั่นนั้นในพรรษานั้นท่านพระจารย์สสมังคโลธรรษาเก้าองค์ที่สองที่เป็นไข้ป่าท่านเป็นพระชาวจังหวัดอุบลรัชธานีนับตั้งแต่ท่านเริ่มป่วยรวมเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่ท่านจะมรณภาพมีพระองค์หนึ่ง ท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยอย่างไรก็ไม่ทราบวันนั้นในตอนเย็นท่านก็ขึ้นไปรารพระม่ครูจาย์มั่นและสนทนาธรรมกันในแง่มุมต่างๆจนเรื่องบวกวนมาถึงท่านผู้ป่วยพระองค์นั้นได้โอกาสจึงกลาวเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ตนปรากฏถวายท่านพระจารย์มั่นว่าเมื่อคืนนี้ไม่ทราบจิตเป็นอะไรไปกําลังพิจารณาธรรมไม่ดูดีๆพอสงบลงไปก็ปรากฏว่า เป็นท่านพระจารย์มั่นไปยืนอยู่หน้ากองฟืนที่ใครก็ไม่ทราบเตรียมขนมากองไว้ว่าให้เผาท่านองค์นั้นตรงนี้เองตรงนี้เหมาะกว่าที่อื่นๆดังนี้ทําไมจึงปรากฏยิ่นิดอย่างนั้นก็ไม่ทราบหรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือแตดูอาการก็ไม่เห็นรุนแรงนะักที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏนั้นขอพระรูปนั้นกราบเรียนจบลงท่านพระจารย์มั่นก็พูดขึ้นทันทีว่า ผมได้พิจารณาทราบมานานแล้วอย่างไรท่านองค์นั้นก็จะไปไม่รอดแต่เธอไม่เสียทีไม่จะไปไม่รอดสำหรับความตายเหตุการณ์แสดงบอกเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของเธอเสวยงามมากสุขติเป็นที่ไปของเธอแน่แต่ใครๆอย่าไปพูดเรื่องนี้ให้เธอฟังเด็ดขาดเมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจแล้วจะสุดทั้งกายและเสียทั้งใจสุขติที่เธอควรจะได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้ เพราะความเสียใจเป็นเครื่องทําลายพออยู่ต่อมาอีกไม่กี่วันพระที่ป่วยก็เกิดปรับปรับขึ้นในทันทีทันใดตอนค่ำคืนพอสามนาฬิกากว่ า, ก, วาก็สิ้นลมไปด้ i ความสงบจึงทําให้คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆว่าเพราะอะไรผ่านมาท่านพระจันท์มั่นท่านคงพิจารณาไปเรื่อยๆในทุกเรื่องเมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพของสิ่งนั้นๆ ลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่ามีคนมาถามเราเสมอว่าหลวงตาลวงตาเคยเป็นไข้ามาลาเรียไหมเราก็อุทานตอบออกไปว่าโธเป็นมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนผบบนศรีรษะโกนให้ล้นแล้วยังไม่แล้วมันยังร่วงอีกไข้ามาลาเรียนี้มันร้อนปากนี้ก็เปื่อยจนหมดกลางวันวันหนึ่งเราเป็นไข้ามาลาเรียวันนั้น ปรากฏว่าให้เริ่มหนักแตดเช้าเราก็ไม่ไปเป็นาบาทและไม่ฉันจันหันด้วยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตั้งแต่บ่ายสามโมงให้จริงสารปรากฏว่ากำลังเรียลแรงอ่อนเพรยียมากจึงเพ่งกิจให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกเวทนาที่กำลังกำเริ่มหนักโดยไม่คิดทดสอบแยกแยะเวทนาด้วยปัญญาแต่อย่างใดพอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ท่านพิจารณาทมบางประการเห็นเรากําลังปฏิบัติอยู่เช่นนั้นพอบ่ายสี่โมงจึงเข้าไปหาองค์ท่านองค์ท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นในทันทีว่าท่านมหาทำไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่าการเพ่งจิตจ้องอยู่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะ ก, กายเวทนาจิตให้รู้เรื่องของกันและกันท่านจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างไร แบบท่านเพลงจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบรือสีแบบมากัดกันไม่ใช่แบบพระผู้ต้องการทราบความจริงในทางทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นต่อไปท่านอย่าได้ทำอย่างนั้นมันผิดทางที่จะให้รู้ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในกายในเวทนาในจิตตอนกลางวันผมได้พิจารณาดูท่านแล้วว่าไม่ใช้สติ ป, ปัญญาลี่กายดูกายดูเวทนาดูจิตบ้างเลย พอเป็นทางให้สงบให้ถอดถอนทุกขเวทนาในเวลานั้นเพื่อไข้จะได้สงบลงดังนี้นี่ก็คือพระแม่กูจารมั่นพระอาหารหันยุคปัจจุบันท่านสามารถออกรู้เรื่องราวต่างๆได้โดยตลอดพระธรรมวิสุที่มุงคลหลวงตามหาบัวยณสสัมปันโน ได้เล่าชีว่าประวัติของท่านในขณะอยู่จำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างน่าฟังมากว่าเรามีนิสัยวาสนาอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ไปยิ่งเวลาออกปฏิบัติอยู่นั้นยิ่งไม่สนใจกันเลยกับหมอกับอยู่กับยาไม่เคยคิดไม่เคยติดยาติดย่ามแม้แต่เม็ดเดียวอยู่แบบหมูแบบกวางทั้งนั้นเวลามันจะป่วย มันไปหาโรคมาจากที่ไหนทำไมเป็นได้ทำแย่ตัวเองแย่อย่างนั้นเวลามันจะหายมันไปหาโอสถยามาจากไหนเกิดที่ไหนมันก็ตายที่นั่นแหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใครเอายามาให้เราก็บอกว่าอย่ามายุ่งทีนี้มันก็หลายครั้งหลายหนเพราแม่ครูจันทร์มั่นท่านก็เห็นท่านก็มาเองละสิคลึกทักเข้าไปถึงตัวเราเลยนะเรานอนไข่ยอยู่ นี่นี่ท่านท่านมหาผมได้ยามาแล้วนะท่านมหาห น, น้านี่ได้ยาดีพิเศษมาให้พอฉันปุ๊บจะหายทันทีเอา้าเอ้าฉันพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านว่าอย่างนั้นเลยมือก็ยื่นให้พร้อมเลยตกลงเราก็ต้องฉันถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่ครูจารย์มั่นแล้วเราไม่เคยปฏิเสธเลยพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านพูดออกมาว่ายานี้สาคัญมากเป็นยาดีนะฉันแล้วหาย หายหายจะหายก่อนฉันไม่ซ้านะท่านเสกสัญญาของท่านแล้วท่านก็ยื่นเข้ามาให้เลยเอาเอาเอาให้มันหายเดี๋ยวนี้เลยนะนี้ถ้าว่าเด็ดเด็ดจริงๆเพราแม่ครูจาร์มัน่นท่านก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านทราบว่านี่เสดเราเป็นอย่างนั้นเวลาเด็ดเราก็ยอมรับเพราะเรามันจริงมันจังท่านก็เอามาเองฉันแล้วก็ไม่หายเราก็ไม่สนใจว่าหายหรือไม่หาย ผิดกับธรรมไม่ได้นอกเหนือจากกันไปมันพัวพันกันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไปยุ่งกับยานี่พูดถึงพ่อแม่ครูจารย์มั่นท่านปฏิบัติต่อเราท่านเอาอย่างนั้นกับองค์อื่นๆก็ไม่เห็นท่านทม